เปิดสอนเรวเนาะมีใครเห็นเป็นปฏิบัติได้ไหมใครคนใหม่เคยปฏิบัติวิธีอื่นมาบ้างไหมเห็น มีสติสต <Pierre? S 3> ิก <_ veis> ็คือเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เรายืนเดินนั่งนอนทําการทํางานหรือแม้แต่ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็ต้องมีความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวก็คือใจเราอยู่บนเนื้อกับตัวใจอยู่บนเนื้อกับตัวนั่นแหละเป็นสมาธิก็คือสมาธิที่ว่าตั้งมั่นในการ รู้กายรูใจของเราเองแต่บางทีสมาธิที่เราใช้กับการงานเส่วนใหญ่จะเป็นสมาธิที่เราไปรู้เรื่งข้างนอกในรเราเรียนหนังสือมันมีสมาธิในการฟังครูมีสมาธิในการกเล็เชิดหรือแม้แต่เราดูหนังะก็มีสมาธิในการดูหนังหรือแม้แต่เด็กนะเราเห็ เด็กเราบอกว่าลูกเราบางคนเราบางคนไม่มีสมาีิแต่แต่เข้าอยู่กับกา ร, ตร์ตูนเนี่ยมีสมาธิใช่ไห ม, อ, มอยู่กับกา ร, ตร์ตูนไม่อยากกินข้าวไม่อยากทำอะไรเลยคนะือสมาธนะิมันเราคิดว่าสมาธิออกข้างนอกหรือสมาธิเข้ามาดูข้างในของเราเองแต่ไม่ใช่ว่าเพ่งเข้าแต่ข้างในจนลืมเรื่องราวข้างนอกเล ย, ก, เลยก็ไม่ใช่ เหมือนเด็กบางทนะีดูหนังหรือเล่นเกมสิตใจอยู่กับเกมอยู่กับหนังนะไม่สนใจรอกตัวเลยนะ่นก็ไม่ใช่นั้นะสมาธิที่ดีคือสมาธิที่ที่มีสตนะิคอยรูนะ้คอยรู้ว่ามันเข้ามากเกินไปหรือมออกแย่งนอกความตั้งมั่นของจิตนะคือสมาธิดูอยู่ตรงไหนที่มันพอดีนะ บางทีเข้าในเกินไปเรียกว่าเพ่งเข้ามาข้างใ น, ห, นหรือบางทีดูนอกเกินไปบางทีก็หลงไปคิดนะมันก็สิ้นไม่พอดีนะเหมือนเราเหมือนเราขับรถนะจับพวงมาลัยแบบไหนก็นดีวางเท้าเหยียบคันเร่งเตรียมเหยียบเบรคตรงไหนพอดีนะจับขี่จักรยานจับแฮนด์แบบไหนพอดีปั่นแบบไหนก็นดี นั่งแบบไหนพอดีนะั่นแหคือสิ่งที่การปฏิบัติธรรมคือการมาเรียนรู้นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การคิดเพื่อเกิดความเข้าใจนะฉะนั้นะการปฏิบัติ จ, จริงๆริงคือเราต้องลองทําดูบางทีเราไม่รู้หรอกว่าที่เราทําแบบไหนมันเหมาะกับตัวเราเราจะยกมือตั้งจงังหวะเราจะเดินจงกรมหรือเรจะดูห้องคลองยุค หรือเราจะดูลมหายใจหรือเราจะดูจิตหรือเราจะพูดโทมันมีหลายวิธีมากนะสิ่งที่เราจะรู้ว่าวิธีไหนเหมาะกับตัวเราเราก็ต้องลองทําลองทําดูว่าทําแล้วเป็นแบบไห น, นเหมือนเราเห็นอาหารนะเราอาจจะคิดถึงรสชาติได้แต่มันก็ไม่เหมือนเราสัมผัสด้วยอาหารของเราเองการภาวนาก็เหมือนกัน ต้องลองทําดูว่าทําแบบนี้แล้วมันเกิดผลอย่างไรนะเกิดผลตรงนี้แล้วต้องรู้ว่าผลตัวนั้นมันเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ไหมต้องเข้าใจนะว่าผลของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะทําเพื่อหบังผลแค่ความสงกหรือว่าแค่ความสบายชั่วขาะจุดมุ่งหมาย ข, ข, ของการภาวนาจริงๆไม่ใช่เพื่อให้จิตได้สงบนะ เพาะจิตถึงพุทธหมายาตามปฏิบัติธรรมจริงคือเพื่ให้เราเรกิดปัญญาแล้วก็เกิดการปลดพ้นเนะี่จากการยิดติดถือมั่นสิ่งที่ยึดติดถือมั่นนี่จริงคือความสัมพันธ์นั่นหมายว่าตัวเราของเราเนะี่ยร่างกายนี้เป็นของเราหรือว่าจิตใจนี้เป็นเป็นตัวเปิดิีจิตของเรานะอันนี้มันจะเห็นยากมากเพราะว่า ถ้าเราไม่ภาวนานะการที่เรายึดในร่างกายเนี่ยมันก็มันก็ยึดแล้วก็เหนียวแน่นเนาะตอนร่างกายแก่ตอนร่างกายเจ็บตอนร่างกายกํำลังจะตายถ้าเราไม่ภาวน า, นานเนี่ยจะอยู่ยากนะฮะเพราะว่ามันกายมันรู้สึกไอ้ที่ปวดนะันมันคือเราปวดมันไม่ใช่ร่างกายมันปวดไอ้ที่มันแก่ก็จะรู้สึกว่า เราแก่ไอ้ที่มันเจ็บตายก็จะเรียกว่าเราเจ็ตายนะแต่ถ้าเราภาวนาเราจะรู้จักแยกนะแยกได้ก็เข้าใจเขาก็วางได้ น, ะนี่นจะเห็นความจริงเนี่ยคือเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่นําไปสู่การการปล่อยวางนะไม่ใช่แบบปล่อยวางแบบทัพพุตระคือนะมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดปัญญาพอมันถึงปล่อยวางนะ อันนี้คือเราจะฝึกให้มันเกิดปัญญาแบบนั้นแต่ก่อนที่มันจะเกิดปัญญาขั้นนั้นนะมันก็ต้องเริ่มจากการมีสตินี่แหละมีสติรู้ทัรขอายรู้ทันใจของเราเองนี่แหละที่จริงจะรู้ตัวไหนก่อนก็ได้นะที่จริงก็ไม่ได้ว่ามีวิธีเดียวถูกที่สุดไม่ใช่พิธีการมปฏิบัติก็ถูกันธาตุนําไปเกิด นำให้เกิดปัญญาเอี่ยที่เราตรวจแต่ถ้าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าความไม่เที่ยงเป็นแบบไหนความเป็นตัวตนแบบไหนความไม่ใช่ตัวตนเป็นแบบไหนเมื่อนั้นก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วกนะ็เบือหนายนะยอมรับความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นได้แค่นะั้นคือตัวปัญญาก็คือเห็นใจละนะที่เราจะเห็นตรงนี้ มันเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ไหมเราก็ต้องดูทันที่ปัจจุบันในสิ่งที่เราทําเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายเช่นถ้าเราดูร่างกายดูร่รางกายตอนที่นั่งรถครู่นี้มันก็ยังเป็นปกติดีอยู่แต่สักพักหนึ่งอาจจะปวดเทื่อยก็ได้หรือเมื่อกี้ถ้าเราเห็นเช่นเราทาํ า, าวัดเช้าเห็นเห็นความเผิดไปที่ของ ติดใจของเราไหมตั้งใจสวดมนต์อยู่นะอแต่ก็แอบไปคิดหลายครั้งนะขนาดตั้งใจสวดมนต์อยู่แต่ก็ยังแผบเปคิดอันนี้ขนาดตั้งใจทํานะเราจะมีอิเดียบที่ไรอิเดียบ ท, ที่เราไม่ได้ตั้งใจความเผลอไปคิดเนี่ยก็ยิ่งมากแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราเผลอไปคิดหรืออิเดียบทในการทํางานทำการหรือ จิตวิทยาประจำวันบางทีเราก็ทำด้วยความเคยชินทำเป็นปกติ เ, าเราแปงฟันเรากินข้าวเราเดินไม่ต้องใช้ความพยายามยานะร่างกายเราอยู่ใน เ, เรียกว่ายังพอใช้การได้ดีอยู่เราก็เลยไม่ต้องใช้ความพยายามจิตก็ยิ่งเผยบไปคิดเยอะมากนะเราก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัว นั้นสติก็คือให้มีความตั้งใจในเรื่องต่างๆตั้งใจที่เป็นรู้ตัวแต่ส่วนไหนก็ได้ถ้าอย่างสายหลวงพอเพียนจะเน้นให้มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเรากําหนดอิริยาบถกับการเคลื่อนไหวนั่งเฉยๆก็ไม่เน้นนั่งนิ่งๆแต่ให้นั่งแล้วก็ดูแล้วก็ตัง้งแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวการองเคลื่นอนไหวยกมือ แต่ถ้าให้ทำติดอย่างหวนะเคลื่อนหยุดเนะคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ร ท, ทําไมเพราะบางทีก้าเคลื่อนไปเรื่อยบันดีเคลื่อนไปแบบผิดฟีเ <c ười> คลื่อนไปทิดไปนะแต่ถ้าเราเคลื่อนแล้วรู้รู้หยุดรู้หยุดนะนรู้หยุดมัรู้นะทีละครั้งทีละครั้งคล้ายๆรู้แล้วก็วาง ดูแล้วก็วา่าเป็นการสร้างความรู้สึกตัวนะพอใจมันเกผยไปคิดขึ้นมาเราก็จะมีสติเห็นอ้เอเผยไปคิด้ันอ้กลับมาใหม่นะแล้วเกิดความรู้นื้อรู้ตัวใหม่แทนที่อีกขั้นหะนึ่งรู้สึกกายก็จะเห็นจิตใจนะมันเห็นได้ทัองสองนั่นแหละนะรู้กายก็เห็นจิตอนะหรือบางคนเน้นแนวดูจิตแต่ยังไี่ได้เห็นกายเหมือนกันนะ พอจิตมันไม่คิดพอจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรมันก็สัมมาเห็นกายพอจิตปรุงแต่งมันก็เห็นจิตดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายมันมันสัมพันธ์กันนะแยกจากกันไม่ได้แยกจากกันไม่ได้นะเหมือนขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาของเรามันเดินไปด้วยกันมันอยู่ในตัวนในหละด้วยกันนะมันจะแยกไปคนละทางนะ แต่ถ้าเราไม่มีสติมันเหมือนไปพนมท า, านนะ <c oughs> เพราะว่าร่างกายเราอยู่ที่นี่แต่จิตใจเราไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้จิตใจก็จะล่องลอยท่องเที่ยวหรือบางทีก็จมถ้าเราไม่มีสติบางทีมันมันจมในในอารมณนะ์เช่นเราโกรธเราก็จะจมอยู่กับความโกรธของเราเองนะจมอยูกับบางทีเราก็จมกับความสงสัยนะ จมนเียนอยู่ในความคิดของเราเองหรือบางทีถ้ามีความอยากจิตเราก็จะจมกับความอยากมีเนะมื่อเมื่อวันต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะจะดีที่วัดมีบวชสามเนรแล้ก็ปิเจเลนีนะก็พอดีมีเด็กคนหนึ่งนะอายุประมาณแปดขวบไม่ได้มาบวชได้หรอกแต่แต่พ่อแม่ฝากมือ ย, อยู่ไว ก็มีพีเลี้ยงดูอยู่บ้านนะ<ๆ>เขาต้องมามาอยู่กับใกล้ๆเด็กๆที่บวชน่ะแต่เด็กๆที่บวชเนี่ยเขาเราจะไม่ให้เขามีเงินเนาะวันหนึ่งพาไปออกป่าที่ที<ม>่ที่ป่านะอันนี้มีรถไต้รุทีมนะวิ่งเข้ามาเด็กๆที่บวชเนี่ยก็มองตาเฉยเฉยเพราะว่าไม่มีเงินซื้อก็ไม่ไซื้อแต่เด็กที่มาป่าอยู่ด้วยนะ่ะ มีเงินนินิดหน่อยแม่คงฝากไว้แต่เราก็รู้กันว่าเนี่ยไม่ซื้อตอนนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนมเขาจะอิจฉาเนี่ย ต, ตอนนั้นเป็นเวลากำลังจะเดินป่าก็บอเรอพี่เนมเดินป่าก่อนนะแล้วก็เดินป่ามันค่คอยๆเด็กคนนี้ก็ตกรนกว่ายมากะเมื่อไหรจะเดินเมื่อไหร่จะเดินเมื่อไหรจะไปที่ทีนะถือเงินยี่สิบาทไว้ในเมื่อนตอน ดูตนะัวไอเดครีเนี่ยออมาก็นั่งอยู่ตรงข้างเท่าแหละอยากมากเลยเหรอนะอยากมากนะอยากมากแล้วความอยากเป็นแบบไหนนะอยากก็มันกระวนกระวายอยากก็มันฟุ้งซ่านจิตนะใจมันกระวนกระวายจิตใจมันฟุ้งซ่านแล้วร่างกายเป็นแบบไหนล่ะร่างกายก็มันิดอัดติกอัด เหมือนมีคนมามัดไว้เหมือีคนมัดมาพันเขาไว้ ม, มาเลยออกห้าในลองหายใจเข้าลึก ๆ, ๆสหิหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสิเขาต่าก็าํา สามรอบนะเขาก็ทำตามเป็นยังไงบ้างสถานเขาสบายขึ้นครับเหมือนมีคนเอามีดมาตัดเชือกเอเลยนี่เด็กแปดขวบนะเขายังรู้สึกได้ว่าสภาวะเวลามันยากมากๆเนละมันมันอิดอัดมันแน่นมันไม่สบายมันฟุ้งซาดแต่พอเ็ากลับมามีสตินะมีสมาธิอยู่กับตัวเองไม่จิตไม่ไปคิดถึงเรื่อง ไอ้สครีมเนาะไม่คิดถึงเรื่องเลนเมื่อไหร่จะไปจิตก็มาอยู่ประลมหายใจมันก่อคือขา ม, มันก็หายไปอหายไปได้นะอืมแต่หายก็อาจจะกลับมาเหมือนกันนะแต่วมก็ถ้าตอนนี้ยังอยากยาไหมก็อยากอยู่ครับแต่ประมาณนั้นน้อยลงไปเยอะเลยคือแต่ก่อนมันเราปล่อยให้ความอยากมันครอบงำนะมันเราจมไปพอเราสอนตัวเองออกมาอยู่กับเนื้อกับตั ว, ตวสะท้าน มันก็แม้ความอยากจะเกิดซึ้งอีกแต่มันมันไม่รุนแรงเท่าเท่าเดิมเพราะว่ามื่อเราได้ถอนกําลังมันไปแล้วเราไม่ได้ให้อาหารมันมันเพิ่มเราไม่ได้ต่อหน่วยเชื้อให้มันเหมือนตับไปมันไม่ถ้าเรารู้จักเอาสิ่งที่มันเป็นเชื้อเปิดอย่างดีออกระบาดมันอาจจะเหลือกองไฟให้ยังไม่อยู่แต่มันก็ก็ไม่รุนแรงเท่าเดิมนี้แหละคือ เมื่อไรถ้าเราขาดตติมากก็ถือว่าเราขาดเจตพรมเป็นปกติทั้งร่างกายและก็จิตใจเป็นเด็ตัวนี้ตอนที่เขามีความอยากร่างกายเขก็ไม่ปกติเอึดอัดแน่นไม่สบายจิตใจก็ไม่ปกติมีความฟุ้งซ่านมีความโกลงกวายเราจะรู้ได้ไหมตอนที่เรา เช่นถ้าเราไม่พอใจเราโกรธแบบนี้ใช่เคยสังเกตดูร่างกายของเราไม่เป็นแบบไหนบาทีเราจะหายใจทีทีใช่หหายใจทีทีรู้สึกอึดอัดความคิดก็วนคิดแต่คนหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเช่นอากาศร้อนนะตัวนี้หน้าร้อนร้อนมากเลยเนาะ ออกไปต่างแดดนี่นยังไงจิตใจปเป็นยังไงเออไม่ชอบโวยวายมี ไ, ไหมใจที่เราโวยวายถึงอากาศที่ร้อนนะหรือใจที่คิดถึงพัดลมที่ถึงห้องแอร์นะจะได้หายจากความร้อนนะตอที่เหงื่อออกมากๆเป็นไงร่า ง, ง, งกายมันเหนียวตัวที่ถึงน้ำํำอยากจะอาบน้ำํำ บางทีความร้อนที่มันตปครอร่างกายของเรานะี่ยมันก็ไม่ทําให้แค่ร่างกายเราพุกแต่มันส่งผลต่อจิตใจของเราที่ทุก ด, ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ทันนะความรู้สึกเราก็จะไปปูนแต่งความรู้สึกนะมันก็จะ ย, ยิ่งพุกข์่างกายพุกข์ร่างใจแตนะ่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะถือว่าสภาวะเแบบนั้นแหละคือสภาวะของการภาวนา อาวนาคืออะไรลองสังเกตเดูเช่นร่างกายมันร้อนเป็นแบบไหนก็ดูมันมันร้อนส่วนไหนมากกว่ากันร้อนร่างกายเป็นแบบไหนจิตใจเป็นแบบไหนก็ดูอย่างที่ก๊อกเป็นนั่แหละจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันฟุ้งต่งเออก็ดูมันว่ามันฟุ้งต่งมันฟุ้งซ่านจิตใจมันไม่ชอบก็ดูว่ามันไม่ชอบนะมันจะเห็นแล้วก๊อก กายเป็นแบบนี้ใจเป็นแบบนี้นั่นมันจะเห็นแบบนี้นะเพราะกายเป็นแบบนี้ใจเป็นแบบนี้มันเห็นนัได้ว่ามีสติแล้วนะมันเหมือนเรามันเราดูอ่ ะ, อะไม่ไปไม่ไปยุ่งอะไรตอนนั้นมากกวนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะค่อยเปลี่ยนแสดงอะไรให้เราเห็นซึ่งเราก็คาดไม่ได้หรอกนะแต่จริงๆห้าเห็นจริงๆความคลุงแตงมันก็จะหยุดลงนะมันก็จะดับไป เราเห็นความโกรธถ้าเห็นยังมีสติจริงๆความโกรธก็ดับไปเราเห็นความอยากความอยากก็ดับไปนะเราเห็นการคิดปรุงสร้างความปรุงสร้างก็ดับไปนะนี่แหละคือก็คือว่าถ้าเราไม่เห็นหรือว่าความโลภความโกรธความหลงมันค้อบงาจิตใจเราไม่เห็นก็คือว่าจิตใจเราเสียความเป็นปกติไปนะ เสียความมีปกติแต่ถ้าเรามมีสถิจิตก็กลับมาเป็นปกติคาว่าปกติเนี่ยแหละก็คือถ้าภาษาบาลีก็คือเรียกว่าในสภาวะไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเนี่ยเท่ากับนิพพานนิพพานในชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอวิสังขารซึ่งเป็นการไม่ปรุงไม่แต่ง ที่จริงการที่มีกติเนี่ยทําให้เราต้อถึงนิพพานสติเนี่ยเป็นทั้งเหตุเหตุคือสิ่งที่เราเหตุคือสิ่งที่เราทํานะเกิดผลนะก็คือการรู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่าทางตายรู้เท่าทังใจแล้วก็เป็นนิพพานอยู่ตรงนั้นถ้าป่าตาบดีอาจจะเรียกว่าเป็นทั้งอเป็นทั้งมรรเป็นทั้งผลเป็นทั้ง นี่ผ่านวินในตัวของมันเลยนะแนี่เรา ป, รปฏิบัติครั้งเดียวนะแต่มันรวมรวมด้วยกันนะมันแยกจากกันไม่ได้นะมันไปได้วยกันนะนะสิ่งสมาธิปัญญานะมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเมื่อไหร่ที่เรามีสติเราก็มีศิลงสิสก็คือกายวาจาใจมันเป็นปกติเมื่อไหรที่เรามีสติจิตก็เป็นสมาธิ สมาธิก็คือไม่ดื่มเมื้อดื่มตัวนะนะรู้ทันกายรู้ทันใจนะเมื่อไรที่เรามีสติเราก็ไม่ปุ่นแต่งนั่นแหละคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงมาแสดงให้เห็นนะความไม่เที่ยงไม่เป็นนักแสดงะความเป็นฟุ้งก็เป็นนักแสดงนะมันเป็นพวกงแบไหนก็ดูมันไปนะความไม่ใช่ตัวตนนะบังคับเป็นชาไม่ได้นะ เขาเป็นนักแสดงอืเราลองดูเหมือนเราดูโทรทัศน์อบางทีเราจะลืมตัวว่าเราเป็นผู้ดูแต่เราจะเหมือนเข้าไปอินกับเรื่องราวที่แค่เป็นหนังเป็นละครหรือเป็นเพลงที่ชอบมันก็จะเข้าไปอินในเรื่องราวแบบนั้นเราจะลืมดูตัวเองว่ากำลังนั่งดูอยู่เราจะเป็นเหมือนดูไปอยู่ในโลกของความคิดของเขา จินตนาการฟังเข้าไปเมื่อไหรที่เราดึงตัวรู้ทันว่าเราเผลอไปกินไปของเขาและเรากลับมาดูจิตจิตนะเราจะเห็นว่าเรา เ, าเป็นผู้ดูอยู่หรือแม้แต่ถ้าฟังธรรมนะถ้าเราสนใจเรานะตามสภาวะที่ที่ฟังมากเกินไปก็ดึงตัวนะแต่ถ้าบางทีเราฟังไปก็ คุณสร้างไปเลยก็คื่เตือนตัวอีกแบบหนึ่งฟังแบบไหนที่ไม่มีสติฟังแล้วก็รู้ว่าตอนนี้นะเรากาลังนั่งอยู่รู้ว่าตอนนี้กลังฟังอยู่รู้ว่าตอนนี้นะรู้สึกอย่างไรอยู่อะไรที่มันเด่นในขณะนั้นเราก็รู้ตัวรู้ว่ากาลังสงสัยอยู่หรือรู้ว่ากาลังชอบอยู่รู้ว่ากำลังไม่ชอบนะอย่างนะ รู้ว่ากำลังงงนะรู้แบบที่มันเป็นจริงๆนั่นแหละนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบเช้นฟังไปแล้วจะต้องแบบปากฟื้นะหรือว่าเขอาใจทะลุปุ่มนะถึงจะเรียกว่าดีบาที่ฟังอะไรนะไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรนะแต่เรารู้ตัวเองว่าไม่รู้เรื่องฟังแล้วเลยขัดใจรู้ว่าขัดใจนะอันนี้ดีนะ เอแต่ถ้าแับฟังแล้วชอบใจก็เพิ่มไปกับสิ่งที่ชอบใจไปนเนี้ยอนี่ใช่นะบางทีครับก็คือฟังแล้วก็รู้ทันกายรู้ทันใจของเราั่นแหละนะแต่ดูอะไรก็เหมือนกันนะดูไปเถอะนะดูข่าวก็ดูเรื่องของข่าวด้วยดูเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราด้วยคือข่าวอจิญากรรมเนะีไม่ชอบเลย ก็รู้ทันควาไม่ชอบของเราอแต่พราะแค่วาไม่รู้ทันเราก็จะแบบไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาต่อเนาะไปด่าเขาในโทรทัศน์เขาไม่ได้ยินหรอกแต่เราเองมันคุ้นต่านได้ยินในใจเหนือคนนั่นข้างเรานี่ยได้ยินใช่ไหมเหมือนเราเคยไหมขับรถคนขับรถข้างข้างเราหรือแซงหน้าเราไปนะแล้วก็บน่นไอ้ที่ได้ยินก็คืออยู่ในรถที่ใครนั่นแหละ แต่รถคันอื่นก็ไม่ได้ยินกับเราหรอกนะแต่บางทีมันก็ให้เราเห็นจิตที่มันบ่นในใจนะบ่อยๆนะมันห้ามไม่ได้นะแต่เห็นได้นะอ ย, อย่าไปห้ามมันอย่าไปห้ามความคิดนะจะ่ปบัตด้วยวิธีใดก็แล้วแต่อย่าพยายามห้ามความคิดปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นแต่อย่าไปปุ น, นกับความคิดต่อนะถ้าเรา จะเห็นคือเราคือเราไม่พยายามเจ็บกดมาก็ปล่อยมันเกิดแต่พอเกิดมาแล้วเราก็ไม่รียุ่งอะไรกับมันมันก็จะจกไปนะเหมือนคล้ายๆเรามันมีคนโยนลูกบอล น, นะเราไปเสียเวลาไปรับลูกบอลเนี่ยเราก็เหนื่อย น, นะต้องคอยรับเลยที่จริงเ้าโยนลุกบอลก็เรื่องของเขาหน้าที่เราก็คืออย่าให้ลุกบอลมันโดินตัวเราก็พอไม่ต้องสั่งอะไรแค่จกมนันการที่เหมือน เรียว่าไม่ยุ่งก็คือให้มีปุ่นเข้ามาสอบนะเขาจะคว้ามขึ้นไปมันเปเรื่องของเขาแล้ะเราไม่ต้องไปเล่น อ, อะไรกับเขาก็ปล่อยมันต่อไปแต่ถ้าเราต้องไปคอยจัดการคนโยนไปจัดการลูกบอลที่มันโยนขึ้นมาเนะี่ยเราเหนื่อยนะโยนทาไมเนี่ยลูกบอลมันเป็นแบบไหนมัเราต้องมาพิจารณามันแหลืแต่เนะี่ย แต่แนนี้ถือที่ว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตามันเกิดของเขาเองความคิดก็เกิดของเขาเองเอารมณ์ก็เกิดของเขาเองหน้าที่เราเป็นแค่รู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วก็มันก็จบไปของเขาเองเนื่องจากการแค่รู้ทันมันจะทําให้จิตที่มันไม่ปกตินะกลายเป็นจิตที่ปกติการภาวนาจริงๆก็ ค, คอการตลับมาหาความเป็นปกติของจิตใจ ของร่างกายในบางทีก็หา ย, ยาหักแต่ว่าถ้ามันแก่มากๆมันไม่สบายมากๆมันก็มันก็นกสแสดงความจริงก็ใช่แล้วอ่าแต่บางทีถ้าเราไม่ไม่แยกขนาดนั้นเนาะเราก็หากลัมาหาความเป็นปกติก็คือหาความเป็นธรรมชาติของเราอความเป็นธรรมชาติอะไรบางทีถ้าบางทีบางคนเดินเกจ็บฟงเดินมางทีเจ็บเกรงเกินาไปนะเจ็บกลัวนะ เ, เครียดอนะไรเงี้ยเนาะให้เราผ่อนคลายถ้ามันรู้สึกว่าเป็นไม่เป็นธรรมชาก็คือมันรู้สึกว่าร่างกากงยพลังจิตใจเครียดนะไม่ผ่อนคลายนะเราก็กลับมาหาก็เป็นธรรมชาติของมันนะทํำให้มเป็นธรรมดาที่สุดนะเท่าที่เราทําได้ยกมือก็เหมือนกันยกแบบไหนให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบายไม่เหนื่อยเกินไปนะแต่มันล้าแน่นอนแหละถ้ายกบ่อยๆก็ล้า นะก็เมื่อยแต่แต่มันไม่เกร็งนะมันไม่เกรงเหมือนเราทำงานถ้าเราทำทางานถ้าแบบทำไดแบบ้ถ้าเราทำแบบพอดีๆอดีนะมันจะทำได้เรื่อยๆทำได้นานมากขึ้นนะเรานั่งปฏิบัติก็ดีเราเดินปฏิบัติก็ดีเราก็ทำถ้าเราทำแบบดีๆหมดที่พอดีจะทำได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันเหนื่อยมากๆก็พักก็เปลี่ยนไปก็เ็้าใจมัน ไม่ใช่ว่าเราจะบังคับเขาให้เขาไม่ปวดไม่เนื่อยหรือเราจะบังคับให้จิตมันไม่คิดบังคับไม่ได้หน้าที่ที่เราทำได้ก็เพียงแค่รู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวแล้วจิตก็จะกลมาเป็นปกติแล้ว อ, อย่างที่มาบอกมรรคผลนิพพานมันรวมอยู่ในแค่ช่วงขณะช่วงขณะที่เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วจิตม่ต้องไม่ปนแต่งต่อแล้ว อันนี้คือช่วขณะที่เรานะควรใส่ใจให้ให้มากๆเนาะทุกขณะทุกอุปยาบทอะเราทำได้นะเป็นเวลาใหม่จริงๆของเราทุกครั้งหายใจเข้ามันก็ใหม่หายใจออกก็ใหม่หายใจเข้าใหม่ครั้งหนึ่งก็ใหม่นะไม่ใช่รงหายใจเมื่อกี้ลนะมัเป็นของใหม่ขึ้นมานะเดินแต่ละก้าวก็เป็นก้าวใหม่ นะยกมือแต่ละท่าหยุดแต่ละครั้งก็เป็นจังหวดใหม่ชีวิตเราจะเป็นชีวิตใหม่นะไม่ต้องรอปีใหม่ <c oughs> ไม่ต้องรอสงการไม่ต้องรอหนึ่งมกราเวลานะจะมีชีวิตใหม่ทุกวันทุกเวลานะถ้าเรามีชีวิตใหม่ได้ทุกวันทุกเวลานะมันดีกว่าจนะรอเริ่มต้นใหม่เมื่อปีไหนเมื่อวันไหน แต่ถ้าเราสัมผัสได้ชีวิตใหม่จริงๆในตอนนี้เมื่อสักคู่นี้นะที่ปิดคิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแล้วนะความจริงเราคือตอนนี้นตอนนี้อนาคตหนึ่งนาทีข้างหน้าก็ยังไม่ใช่ความจริงนะความจริงที่เราสัมผัสได้จริงคือตอนนี้นั้นมาสัมผัสสิ่งที่มันสดปดเมใหม่จับต้องได้รู้ทันหน้าจริงๆในตอนเนี้นะอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีไม่ดีเพียงแค่รู้สเฉย อัน น, นแหละคือสิ่งที่เราฝึกเนาะแต่ด้วยรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะก็ฝึกได้เหมือนกันนะแต่วันนี้ก็ให้ตราลองเรียนรูนะ้เนาะวิธีเน้นแนวหลงพ่อเทียนนะในการมีสติกับการเคลื่อนไหวที่จริงจะว่าของพ่อเทียนก็ไม่ใช่นะเป็นครูจ้างก็สอนไว้นะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติครูเหยียดเคลื่อนไหวมีสตินะเป็นสติที่ พระเจ้าท่านตัดไว้ในมหาสติประธานสูตรนะแล้วก็เป็นสติที่มันก็ได้ในการเอาไ ป, ปยึดใช้กับชีวประจําวันของเรานปะัจจัยลองฝึกกันดูเนาะแล้วก็คนเก่าที่เคดฝึกแล้วก็เขาเชิญเนาะเขาเชิญฝึกกันต่อ ท, ที่ทั้งบนก็ได้